พุทธบริษัทในวันระชิตทั้งหลายจึงเป็นผูรร้คารพบูชาในคุณภาะิตีตัตเตราตัยในน้อมตายน้อมบาจาน้อมจิตใจเพื่อคารวบบูชาฟังธรรมมะครมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธมาสัมพุทธเจ้านั่นจงตั้งในความสงบการที่พวกเท่าเราท่านทั้งหลายมี อ, อายุชีวิตมาถึงวันนี้นั้น ก็ดียว่าเป็นบุญโกฏฐาตอันหนึ่งซึ่งบารามีโทคเป็นอย่างดีที่พระพุทธเจ้าองค์ท่านตรัสว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อันนั้นก็คือคาให้สติของพวกเธอทั้งหลายว่าเห็นการไกลเห็นการใกล้เห็นไอ้ความบกท่องในตัวของตนทุกๆคน อันนี้เป็นคำพูดที่ท่านเตือนของพวกท่านทั้งหลายยันทุกเวลาทุกอริยาบทการยืนเดินนั่งนอนแต่ว่าพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นไม่ค่อยจะเอาใจใส่ไม่ค่อยรับพี่จะเดนนาไม่ค่อยจะรับรู้แม้ถึงการฟังธรรมก็มีการรู้การรับรู้อืแต่ว่ารู้ตามสัญญา รู้ตามสัญญาฉะนั้นถ้าหากว่าพวกเราทั้งหลายประกันเข้าใจในธรรมะที่แ ท, ท้จริงนั่นนะ่ะการอบรมเฉพาะย่อยๆเฉพาะวัดห้องปะโพงที่มาอบรมอย่างนี้ยี่สิบห้าปีมานี้นะถ้าใครมีความเคารพรับ ร, บรู้ฟังเอาไปภาวนาอือ ก็คงจะมีประโยชน์สำหรับในใจของบุคคลทุกๆคนทุกๆ ท, ท, ท, ท, ท่านการฟังเป็นอย่างหนึ่งการนับรู้เป็นอย่างหนึ่งการไปภาวนามันเป็นอย่างหนึ่งเราฟังก็คือฟังแล้วมันก็ได้ยินได้ยินแล้วไปรับรู้แก่ไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องก็เพราะว่าเราขาดการภาวนาการภาวนาทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาทานจะเป็นทานบารณีที่ถูกต้องก็อาศัยการภาวนาศีลที่จะถูกต้องอาศัยการภาวนา ภาวนานี้แสดงมันคม้มทานหรือศีลก็เหมือนกับเนื้อภาวนาเหมือนกับเกลือเนื้อมันจะอยู่ได้มันไม่เน่าเพราะกเกลือทานที่ถูกต้องศีลนั่ที่ถูกต้องกเพราะการภาวนาฉะนั้นการภาวนานี้จริงเป็นคุณค่าอันดับเลิศประเสริฐมากที่สุดท้ายของการของบา ร, รมีทั้งหลายนั่นเอง แต่คนเราทานก็ได้รักษาศีลก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบเพราะว่าขาดการภาวนาขาดการภาวนาภาวนานั่นเรียกว่าภาวนานั่นการภาวนานั่นเรียกว่าเป็นตัวเริ่มจะเป็นวิปัสสนา เพื่อใจมันรู้แจ้งแทงตลอดก็เพราะการภาวนาเราทั้งหลายโดยมากขาดการภาวนานนถ้าใครไม่ได้ภาวนาทำอะไรไม่ถูกต้องทุกอย่างเหมือนกันไม่ใช่ว่าการปฏิบัติทางธรรมะการปลูกผักปลูกข้าว ปูกอะไรทําไร่ทํานาทาสวนพวกประการนั่นเองถ้าขาดการภาวนาแล้วก็ไม่ได้ผลด้วยได้ผลน้อยคือความฉลาดในการปลูกพืชอันนั้นไม่มีไม่รู้จักพันธุ์มันไม่รู้จักพืชมันไม่รู้จักสถานที่มันไม่รู้จักสิ่งที่เหมาะสมกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้เพราะการไม่พิจรารณาการภาวนาคือการพิจรนารณานิ้น โดยมากคนเราเห็นว่าคนอื่นทำก็ทำไปเห็นเขาทำยังไงก็ทำไปอย่างนอาจารมาเคยเพบว่าทำงั้นมันจะถูกไหมยมอมนี่พ่อแม่เขาทำมาอย่างนั้นมีเป็นต้นเป็นหลักฐานของคนมีปัญญาฉันก็ไม่รู้พ่อแม่เขาทำกันมาอย่างนั้ น, นทำกันมาอย่างนั้น ยบตัวอย่างเช่นบุญบังไฟเราทุกวันเนี่ยีตัวอย่างอไอ้ที่บุญมันงง ง, ง, งกันทั้งประเทศชาติไม่ใช่ประเทศแต่ชาติที่ศานเราดี่แต่โดยมากบุญบังไฟอันนี้ไม่ได้พูดให้ใครแล้วพูดให้บุญบังไฟดูที่ว่าเรามองเห็นประโยชน์อะไรมันบ้างถ้าเราภาวนานนะ อืถ้าใครภาวนาดีออกจากไปหามของทุ่มกันทันทีเลยเหนื่อยอืดูดิดูกันดีๆเถอะก็นีเลยว่าทํากันโดยที่ว่าเขาทํามาเพื่อสนุกสนานอะไรกันก็ไม่รู้อื่ประเพณีที่เรามันเหลืออยู่นั้นแค่นี้แล้วก็ยังคิดกันไม่ออกยังไม่รู้เรื่องว่าเราจะรู้จักพุทธศาสนาได้กันอย่างไร เท่วนี้เรายังเด็กแค่ไม่เอามันออกออืเรื่องเท่เนี้ยให้มันจิตบังเราอยู่อไอ้อคนทั้งหลายเหล่านี้ก็เดียไม่เห็นบันคื น, บ, น, คนบันคืนบันร่วงไปร่วงไปวันที่เราทาาําอะไรอยู่วันนี้เราเอาบนไฟอยู่ไม่รูเรื่องมีประโยชน์อะไรไหมทีนี้เราควรคิดจะหาว่าใครไหนภาวนา ก็อบจะนับรองว่าโยมผู้ชายเราทุกทุกคนเนี่ยเปก่กนก็เป็นหัวหน้าค่าและวุ่นออกไฟเีเดียวเนี่ยจะมาเห็นจี่ว่าจะไม่เห็นไม่เป็นประโยชน์ซะแล้วนี่มันเป็นอะไอย่างนี้นี่เดียวว่าการภาวนาเห็นอเอาออกมันออกเอง ม, มันเห็นแนะมันดูดไปเท่านี้แหละเรา ึงนับถือพระพุทธศาสนาของนิดๆิตไม่น้อยตอนนี้ไม่เห็นไม่เอามันออกอผู้ปฏิบัติศาสนาทุกวันนี้ยิ่งมันหนักไปในการลังเลสงสัยสารพัดอย่างทุกวันนี้ถ้าหากยอมถ้าเราไม่รู้หลักอันนี้แล้วเสียไปแปลไปเปลี่ยนไป คือปฏิบตัติในยึดหลักมันไว้อยไหนอาจะมาไปอยู่อำนาจเจริญไปอยู่นั่นท่านครูหรือใครนำเด็กๆมาบวชกันเป็นหลายร้อยคนใครก็อยากจะให้ลูกใครบวชอยากให้ถึงประศาสนาเนีน่อไปบวชกันโอ้โหตอนนั้นเดินหกนั่นแหละเอาเข้าไปมันก็หิว เด็กไม่ดูเรื่องตอนเย็นมามาัม่วงมันต้นต้นมันมันฝุกมานหามนี่นั่นเอาเด็กจเดเวรไปบวชเอาบุญการตอนม เ, เช้ามามาม่วงหมดไม่รู้อะไรมันไปกินดีไม่ดีมันขอกราบเรียนท่านพระครูอ่ะแทนพระครูครับสมบัตฉันจังหันเน่ะฉันข้าวเนี่ยสี่โมงเช้าสทีหนึ่งดียกสบายสองโมงอีกทีหนึ่ง อืดีครับอยังนี้ก็สันตปเช่าจะกับ่อดีเพนเขาเนี้ยมันยังไม่หิวเลยครับระยะเงินไม่เท่ากันแบงค์มันก็เท่ากันใชะฉันตอนเช้าฉันสี่โมงซะบ่ายสองโงฉันอีกทีนเหมือนเท่ากันนั่นแหละฉันต้อหนเนี้ยมีมันเรื่องเด็กที่มันมีปัญญานะแต่มันมีปัญญาไปทางนี้จะทำไงมันมีปัญญาที่จะทําลาย มันไม่ทําให้ถูกต้องกับใจมันมันขัดข้องใจไหมมันจะทําให้มันทําลายทําลายสิ่งทั้งหลายออกไปอจนปัวบว่า ท, ทุกวันนี้คนแก่มันเป็นเศษคนอืมคนแก่มันเป็นเศษคนเด็กๆหนุมน่มๆ น, นน้อยถ้ามันคารวอบูชาเด็กเฉพราะมันมีปัญญาอืม นี่มันจะดูใครมันผิดหรืถูกก็ไม่รู้แต่คนแก่ก็ไม่ดูเรื่องไอ้คนหนุ่ม็ไม่ดูเรื่องอย่างนี้มันนึงขาดจากการคารพคารวะซึ่งกันในกันไอ้ความเป็นจริงหลักของพระพุทธเจ้าคนนันนสอนว่าหลักการคารพเป็นสิ่งสี่งสำคัญเหมือนกันใครทุกคนทั้งตัวจะมานี่และด้วย ไม่ค่อยชอบคุณพ่อคุณแม่หรอกนะแต่เป็นเกเด็กเป็นหนุ่มๆไม่ชอบตอนเช้ามากรขบนตอนเย็นมากรขบวนเม่ก็ไปทําอโน้นเดี๋ยวก็ทําำอันนี้เราก็ต้งขี้เกียจจะไปทําำรอคอยไปทํางานเร า, ปปราก็ไม่อยากไปเลยไปเดินมัจจุบนกว่าอย่างเงี้ยแกว่าก็ไม่เคยว่าคิดจะไปฆ่าไปแยงพ่อแม่เขาเห็นแตนจูดี้จูดี้ขนาดนั่นก็ยังเคารพอยู่ เพราะว่าท่านเป็นพ่อเราแม่เราซึงถาท่านเป็นอย่างนั้นท่านก็เลี้ยงเรามาให้มันโตขึ้นมาเดี๋ยวนี้ต่อพ่อท่านความเห็นอันนี้ยังอยู่ในใจจะโกรธก็โกรธไม่มั่นหมายจะรำคาญก็รำคาญไม่มั่นหมายไม่เอาจริงเอาจังในการการะทำอย่างนั้นเพราเพราะว่าความพาระในใจมันมีอยู่อย่างนั้น ไอ้ประเทศชาติทั้งปวงก็เหมือนกันกลุ่มชนไมหมู่ไรก็ตามเราหนึ่งก็ตามเถอะต้องมีความเคารพอย่างคนหนุ่มคเคารพคนแก่ไอ้คนแก่ในรูปภาษาอะไรไม่ต้องอเคารพหรออย่างนี้ก็ไม่ถูกการไม่รู้ภาษา น, นเป็นเรื่องของคนแต่ละคนเป็นเรื่องของบุคคลอย่างโยมพ่อของพระตอบินเหล้า บอกแกก็ไม่ฟังทําอะไรแกก็ไม่ฟังจะไปโกรธแกซะแกซะทิ้งแกซะก็ะไม่ได้ไม่ถูกเรื่องกินเหล้ามันเป็นเรื่องของเขาเรื่องพ่อแม่เรี่ยงเรามามันเป็นเรื่องทีว่ามันมาสึบถึงเราเราจะไปโกรธเราจะไปแคล้งเราจะไปนั่งขีดหยาดยามปล่อยทิ้งมันก็ไม่ได้อือาการที่อาจารเรี่ยงเรามานี่เป็นส่วนหนึ่งจนโตมาบัดนี้ อาการคือไปกินเหล้ามายาเป็นเรื่องของท่านมันเป็นคนในอย่างกันอันนั้นเป็นเรื่องของท่านก่อให้ท่านใช่ชาพูดให้ฟังแล้วเรื่องที่ท่านเลี้ยงเดามาเนี่ยมันทิ้งไม่ได้ถ้าทิ้งจริงทั้งหลายเหล่านี้ก็ได้ว่าเสียคนเสียหลักของมนุษย์อืเสียถึงนั้นเสียหลักของมนุษย์นี่ก็อเฉพาะการคขลศการขลวะนี่เมื่อเราภาวนาเราจะเห็นอย่างนี้ชัดออกมา เช่นว่าเมืองมันเดือดร้อนทุกวันนี้เพราะอะไรมันขาดหลักอันเดียวนั่นเองคือการไม่คารวะไม่คารม ก, การที่ไม่คารวะไม่คารมนั่นก็คือธรรมะนั่นเองมันชิ่นหลักของธรรมะอเมื่อชิ่นจาดธรรมะแล้วมันก็วุ่นวายเปรียบง่ายๆทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะมันขาดธรรมะมันจึงนวุ่นวายอย่างนี้อย่างต้นไม้ต้นหนึ่ง ใบมันอับเถาเหี่ยวแห้งลำต้นมันตายปลายมันจืดไปสุขภาพมันไม่สมบูรณ์เช่นนี้มันเป็นเพราะอะไรมันจะต้องมีเหตุอันหนึ่งเป็นต้นว่ามีตัวบงมีตัวนอนไปเจาะไปชัยธากมันต้นมันต้นต้นอันนี้มันมีเหตุทั้งนั้นฉะนั้นพระบรมครูของเราท่านจึงว่าทำทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากเหตุ เหตมันเป็นยังไงเหตนั้นในอาศัยอย่างอื่นมันอาศัยกี่ตัวเราเป็นผิด ม, มันจะทุกข์หรือมันจะสุขมันจะถูกหรือมันจะผิดมันมีเหตุอยู่ที่เราไม่ใช่จะเหตุอยู่ที่อื่นเช่นมาเราใส่แก้วใบนี้มันแตกเราก็เสียใจเศรษะอะไรอะไรเป็นเหตุเรา เราเป็นเหตุเพราะเราไปยึดมัน่นถือมัน่นมันมันได้เกิดทุกข์ขึ้นมาไม่เคยแก้เป็นเหตุเรามันเป็นเหตุนี่มันเข้าใจผิดมันไปยึดไปมัน่นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เกิดจากการภาวนาทีนิดคิดเจตนาต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราคิดชนนี้มันจะมีอาการปล่อยวางในจิตใจของเรา ฉนั้นคำที่ท่านว่าวันคืนร่วงไปร่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่แค่เท่านี้แหละการภาวนาการฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าน่นไม่ต้องมากแต่เท่านี้แหละแล้วควรค้นในใจของเราว่าเดี๋ยวนี้เราทําอะไรอยู่เรามีเมตตากรุณาโมชิตาไหมเรามีความอิดชาพยาบามบัดไปไหมเรามีความเหลือดร้อนไหมเรามีความวุ่นวายไหมเรามีความเห็นผิดไหมเรามีอะไรไหมเราเหลือดร้อนไหม มันเด็ดดอนเพราะไมนมีอะไรเป็นเหตุอย่างนี้เราควรรู้สึกนึกคิดในประสิงต้นตอของมันบาเหตที่มันเกิดมาจากอะไรก็ไปทำลายเหตุอันนั้นทําลายโดยวิธีที่คิดาอืมโดยชนิดคิดานมันรู้ถ่าความเป็นจริงของมันรู้ถ้าความเป็นจริงของมันกับเหตุอันนี้มันจะทุกข์มันไม่ทุกข์เฉยๆดอกมันมีเหตุทุกข์มันจะเกิดขึ้นมา มันจะมีความสุขมันมันสุขเป็นเฉยๆลงมันจะต้องมีเหตุแน่นเนี่ยมีเโยมผู้ิผู้ชายเคย อ, อยากจะมาบวชที่นี่โยมทําไมถึงจะบวชมีอะไรไหมไม่มีอะไรเจะขาดยาตัวหกผิดยาตกกัวหกใจทำไมมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เพราะอะไรไม่มีอะไรพอจะขาดมีสิ โกหกทำไมอืคือไม่รู้ตัวของเราจะมาพูดฟังมจริงให้ต้งต อ, งตองโกหกเหรอเนี่ยไล่ไปไล่มาก็ไล่ความเออพ่อเขาไม่เคยอยู่บ้านพ่อเขาไปมีเมียน้อยนะามาพูดกับพาะไป ม, มีอะไรพระจ่ะมาทเฉยมันไม่เฉยหรอกคงเฉยมันไม่มาหรอกนี่คือเหตุที่มันเกิดกับตับตวของเราไม่รู้เรื่อง น้ำตามันหยดรงเป็นสายก็อเม่อู้เรื่องมันเป็นเพราะอะไรนี่เป็นต้อนี่พราเราขาดจากการภาวนาการภาวนานี่จึงเป็นเรื่องีิปัสนาให้เห็นความจริงของมันทุกอย่างเมื่อเห็นความจริงของมันถูกอย่างแล้วมันก็หมดมันจริงคืออะไร ยกง่ายๆที่พระพุทธเจ้าสอนเรานะง่ายๆนะไมันช่อื่นไกลนะมันง่ายที่สุดแต่ฉันมาอ่าตัวเรานี้ไม่มีอืไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วก็ไม่ใช่ของของเราอีกด้วยอย่างนี้ท่านจําแนกท่านแจกออกได้อย่างเนี้ย พวเราทั้งหลายที่ว่านับถือพระพุทธศาสนานั้นไม่ค่อยจะรับรับความเป็นจริงไม่ควรไม่เห็นว่า จ, จะยอมรับไม่เห็นจะยอมรับหรือขนาดนี้ว่าการให้ทานการทําบุญเนี่ยจะเอาบุญถ้ามีคนเอาไปทําไมบุญเอาบุญมันกระยุ่งกระบุญนั่นแหละเท่านี้ก็ไม่สบายใจแล้วนะไม่สบาย ไม่คอยสบายใจแล้วว่าจะทานเพื่อเอามันไม่ได้จะทำยังไงนี่คือคนไม่รู้จกักคิดไปแล้วกระจเหี่ยวแห้งแม่ถึ้งพูดถึงเรื่องพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าแต่มันดับไปตายแล้วมันก็ไม่เกิดคนบางคนฟังแล้วไม่สบายจนพุดออกมาจา ก, กว่าผมไม่เอาแล้วครับ มันมันจะยียังไงผมไม่รู้เรื่องผมคิดถึงเมียผมผมคิดถึงรูปผมผมคิดถึงอะไรอะไรผมอยู่ตายไปเขาก็ อ, อยากจะไปเห็นอีกอันตายไม่เกิดนี่ผมไม่เอาเป็นโทษมันตกอยู่ในภพอันนี้คือว่าสัตว์จาพวกนี้มันเคยอยู่ในภพมันมีที่อยู่เรื่องไม่มีที่อยู่นั่นไม่เคยมี แต่พูดถึงเรื่องในนิยีิอยู่แต่ใจไม่สบาย ม, ม, มันแยกกันความเห็นนี่เมื่อตาหนอนอยู่ในอาจมท่านเร่อวิย่ายให้ฟังว่าจางแตดเป็นมนุษย์เคยเป็นเพื่อนกันทำบาปกรรมต่างๆกันก็ไปเกิดคนละที่ คนหนึ่งไปเกิดเป็นเทบาบุตรคนหนึ่งไปเกิดไปเกิดเป็นนอนอยู่ในอา j ม m นั่นแหละเทบาบุตรต่อพิจนาด้วยญาณคิดถึงเพื่อนว่าเพื่อนไปอยู่ที่ไหนเนาะเห็นไในเนยญาณโอ้ไปเป็นหนอนใหญ่อยู่อา j ม m นั่นแหละเป็นนายเขาอยู่เ น, นี่ยอา j ม m เนี่ยก็คิด ม, มาด้วยญาณเป็นปฏิหารมาปอมาอยู่นปา่าอาโมนั้นก็ไปเห็นเพื่อนอันนี้มันเป็นวิหาร น, นั่นเะนี่ยเด้กก็ไปเรียกถามว่าเออไปเห็นหน้ากันกับดีใจนะอนอนบอกเออแกไปอยู่ที่ไหนเราไม่เห็นกันนานเโอ้ฉันไปอยู่เมืองสวรรค์นั่นเลยเมืองสวรรค์มันเป็นยังไง เรายังไม่เคยได้ยินเลยโอ้ยมันสนุกสนานมันสะอาดสะอ้างมันมาอยู่อย่างนี้แล้อยากได้เลยก็นึกเอาทำเอาจะกินจะอยู่จะดับจะนอนมันสบายกว่ า, าเธอนะนี่ฉันมันส ง, ส, งสารเธอนะอนละเทปรบรชของเราอะไรไปเรื่องความสุขในเมืองสวรรค์นอนกับฟัง ฟังไปฟังไปถึงมาอะไรก็ทำมาเองอะไรก็นี้นิดนึงร้องไห้เลยสงสารสงสารเพื่อนที่เป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์นี่ยนะเนี่ยถ้ากแกทุกข์ยากลําบากแต่มาอยู่กับเราเช่นวันตก็ น, นกี้ฉันเนี่ยมันแสนมันสบายเลยในตองนี้นิดเราเองถึงเวลาเขาจะมาโยนถุ่งทำถุงทำถุงทำทั้ทททททททงจินมทางอาบทางลอยทางจมเนยมันสนุกเยอเกินเนี่ เห็นไหมไอความเห็นของหนอนกับเทพบุตรเทพบุตรฟังแล้วก็หมดปัญญาที่จะเทศเหื่อเพื่อนฟังเลยหนีไปเลยนะนี่เห็นไหมเขาไม่ยอมรับอันนั้นมันเป็นที่อยู่ของเขาจะไปว่าอะไรดีไปก็นั่นเขาก็ไม่เห็นดีมันเห็นมันมันอยู่อย่างนั้นมีมันอาศัยพบอยู่พวกเราทางหลายตวเหมือนกันเราจะคิดง่ายๆเอว่า ถ้าหกว่ามันตายไม่เกิดอย่างนี้มันจะไปอยู่ที่ไหนคือว่ามันดับไปซะมันไม่มีที่อยู่ถ้ามันมีที่อยู่มันก็มีถ้ามันมีที่อยู่มันก็มีเกิดเช่นว่าพระพุทธองค์ท่านหลับความโรคความโกรธความหลงได้ท่านได้จิตท่านไปอยู่ที่ไหนท่านที่มีที่อยู่เพราะธรรมราเราเราก็ต้องมีโรคมีโกรธมีหลงกันอยู่แล้ว ถ้าที่การโลค ก, การโปวดการหลงแล้วไม่อยู่ที่ไห น, นรักท่านก็ไม่รักเกลียดท่านก็ไม่เกลียดดีท่านก็ไม่ดีชั่วท่านก็ไม่ชั่วท่านจะไปอยู่ที่ไหนอืมนีแล้วก็คิดไม่ได้เหมือนกันเรามันติดสุขเป็นอยู่ติดทุกข์เป็นอยู่มัดนี้อยู่ในสุขอยู่ในทุกข์ไอ้ที่ไม่สุขไม่ทุกข์คิดไม่เคอยออกคิดไม่เห็นอืม ที่นี่เราลองลองแก้ปัญหาที่ว่าเมื่อเรามีอะไรอยู่เมื่อเรามีอะไรอะไรอยู่อะไรอะไรนั่นมันก็จะเสียอยู่มันก็จะหายอยู่เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราไม่มีนั่น เ, เลยก็ไม่มีอะไรจะหายอคํา ท, ที่ว่ามีหรือไม่มีนั้นมันมีสองแง่มันเป็นรูปธรรมอย่างนึ่งมันเป็นนามธรรมอย่างนึ่งรูปธรรมนั้นมันคือวัตถุ จะมีถ้วยใบนี้คนขโมยาไปใช่ดูมันแตกใช่หรืออยกว่ามันเสียไปเป็นวัตถุแต่ความรู้สึกที่ว่ามันยังอยู่ที่มันเสียไปนั้นเป็นนามธรรมนั้นพระพุทธเจ้าท่านพิจารณาส่วนนี้อืมส่วนจิตนี้ท่านได้พูดถึงส่วนวัตถุมันพูดถึงส่วนจิตนักภาวนาเราทาั้งหลายถ้ามนักในจิตฉลาดในจิตรู้จักตามรักษาจิตแล้ว มันก็จะรู้จักว่าเมื่อมันยึดก็รู้เมื่อมันปล่อยมันก็รู้จักเมื่อมันไม่ยึดไม่หมายมันก็รู้จักเมื่อมันไม่ยึดไม่หมายมันจะไปอยู่กับอะไรนี่มันก็คิดไม่ออกเหมือนกันฉะนั้นธรรมะนี้ท่านเจ้ามันเป็นปัจจัดจังเป็นสิ่งที่บอกกันไม่ได้ได้อยู่แต่ไม่รู้ตามเป็นจริง อัคตาโรโตถ า, า, า, าคตาพระตถาคตเป็นแต่ผู้บอกไม่เคยเป็นผู้ให้อย่างเราไม่รู้จักทางที่ทางให้คนมาต้นทางท่านจงเดินไปที่นี่ฉันไม่เดินให้เธอเธอต้องเดินไปเองเธอฉันบอกเจวทางเท่านี้เพราะฉันเดินไปไม่ได้เราทำให้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคน มันเป็นเรื่องของตัวเองแต่เป็นเรื่องของจิตเรื่องการภาวนาทาั้งหลายนะมันเป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของกายไม่ใช่เรื่องของวัตถุที่พระพุทธองค์ฉันหมดที่เดียดตัณหาแล้วท่านก็ยังฉันอาหารอยู่ฉันดื่มนา้า อ, นอยู่ใช้ผ้าจีวรอยู่ใช้อะไรต่างๆสมมดินะแต่ว่าท่านรู้จักประมาณแต่ว่าท่านห่มจีวร อ, อยู่ท่านก็ไม่เอาฉันอาหารยท่านก็ไม่เอา อยู่ก็สิ่งที่มาอยู่ถ้าจะฉันท่านก็ฉันก่อนฉันแล้วถ้ามันจะตายท่านก็ตายก่อนตายแล้วถ้ามันจะอิ่มก็อิ่มก่อนอิ่มแล้วมันอิ่มก่อนหมดถึงนั้นเช่นว่าเรามีถ้วยใบหนึ่งใช้อยู่สุวันเนี่ยอืมหรืออย่างกระเป๋ายอมที่หิ้วมานั้นน่ยท่านเห็นแล้วว่ากระเป๋าใบนี้มันต้องแตกมันต้องพังท่านเห็นแล้ว อืมแก้วใบนี้ที่เราใช้มาทกวันนี้อืตักน้ําดื่มอยู่ถวันนี้ท่านก็เห็นม่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วทําไมท่านจะเห็นว่ามันแตกอืมก็เห็นว่าแก้ว น, นี้ยังไม่มีแผลไม่แตกเห็นสิ่งที่มันไม่แตกนั่นเนี่ยท่านเรียกว่ามันแตกอยู่ในที่ไม่แตกนั่นแหละทําไมถึงท่านจะรู้จักว่ามันจะหายก็เพราะมันมีอยู่นั่นเอง มันจึงจะมีของหายถ้ามันไม่มีก็ไม่มีอะไรที่จะหายนีอ่ อ, อย่างาเห็นตัวในตัวของท่นานว่าท่านตายแล้วทำไมจะเห็นว่าตายเพราะตัวท่านยังไม่ตายไอ้ตัวตายเนี่ยมันแอบอยู่ในสิ่งที่ไม่ตายนี่แหละไอ้เจที่มันจะแตกๆกันเมื่อแอบอยู่สิ่งที่เจวที่ไม่แตกนั่นแหละ ม, มันอยู่ในนั้นเนี่ย อรนนิจังมันไม่เทีย่ยงยิบจังมันเป็นของเที่ยงมันก็แอ บ, บอยู่ในนั้นแหละอยู่ในอ น, นิจังนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราทำหนึง่งขึ้นการภาบนาแล้วนะ่ะมันจะไม่สงสัยอะไรทั้ง น, นั้นอืมอะฉะนั้นคนเราที่จ่ต้องการบุญกุศลอยูุ่นกะุศลอันเลิศอันประเสริฐที่สุดก็คือการปล่อยวางไม่ต้องเป็นโทษอืมันนี้นั่นอย่างบุญบุญอันเลิศ บุญอันประเสริฐเป็นต้นบางคนก็ให้ทานการไม่ทานเป็ปรารถนาเป็นนางเชตพยีดาเป็นเทพบุตรเป็นต้นการอาศัยที่เรามีอยู่ก่อนจอาศัยการบดิโภคหกขันเจริญพระพนั่นเียกว่าขันโยมนั่นทางเรียกที่ว่าจึ้ ถ้านอนพระถึงเรียกว่าจำวัดถ้าโยมก็เรียกว่านอนนี่ดีง่ายที่เรียกว่าจำวัดพระมีหน้นาที่พิจารณาโดยตรงถ้าจะนอนท่านก็ให้มีวัดวัดคือข้อปฏิบัติในการนอนไม่นอนเพื่อความสนุกสนานไม่นอนเพื่อความสุข เมื่อตื่นขึ้นมาจะรุกทำประกอบความเพียรอย่างฉับดดเร็วอันนี้เป็นข้อของพระเรียกว่าจำวัดยอมแต่ฮะที่เย็นๆนอนน่ยมันดีๆนีมันนานๆน อ, น, น, อ, น, น, อ น, นมากเลยยังดีมากเลยเลยสบายอ่ะเรียกว่าการนอนไนเร่นี้จิภาว น, นาอืม วัดจะขี่จีวรยินทบาทเซนาชนะคือบ้านเราที่วัดก็เรียกว่ากรราบิหารกติที่บ้านเราก็เรียกว่าเรือนตึกอะไรทั้งหลายนี้นี่แหละเป็นเสนาสนะถ้ายวมอยู่เรียกว่าบ้านถ้าผ้าอยู่ก็เรียกว่าวัดกติอย่างนี้ยาบาบัดโรค ทุกชนิดไม่ว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งพระทั้งเนรทั้งโยมก็ย่อมเป็นโลคเป็นโลคเพราะอะไรเพราะเราป่าถนาเอาโรคแต่พวกเราถ้าโลคเกิดมาแล้วกว็เป็นทุกข์ไม่สบายใจไม่รู้จักว่าเรปาป่าถนาเอาโรคแต่ป่าชนะเป็นเทวราเป็นปัญญเป็นมนุษย์ เป็นคนล่ำเป็นรวยเป็นอายุยืนนานนีชื่อปาถนาเอาโรคคือมันเปิดมาแล้วมันเปิดมาแล้วได้ปาถนามาแล้วมันก็ได้สิ่งที่ปาถนาทุกอย่างแล้วแต่ปาถนาด้วยความบาปบอวมในเรื่องคือปาถนามาเกิดปาถนามาเกิดก็คือปาถนาเอาโรคเมืเ่อโรคเกิดมาแล้วร้องหไห้อยากได้มาเป็นบาปอะไรเนอะเป็นเดินอะไรเนอะเป็นตามอะไรเนอะ เป็นกรรมเพราะเราปราชญ์เอานั่นเองเนี่ยไม่ใจอินหอไม่ใจทำทำไม่เอาแล้วดูไม่ดียังจะหาพ่อเสหาล้มตาดูหมออีกเช่นไรวัยฉันเป็นกรรมอะไรไม่รู้เรื่องว่าทำเอากรรมก็ไม่รู้เรื่องวัยกรคืออะไรทำหนี่เดียว่าการกระทำสิ่งที่ไม่รู้จักการกระทำง่าย เราป่าถนาเอาความโกิดมาแล้วเมื่อความตายมาถึงนี่อยากจะตายอันนี้มันปฏิเสธเจออย่างนี้นี่พราะคำคำป่าธนาอย่างนี้มันป่าถนากครการหลงความหลงมันถึงหลงอยู่อย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นตัวเราเบียเดเบียนสัตว์มาทุกวันนี้นะฮะมันจะเห็นนกเห็นกิน้มตาเห็นตัวอะไรสารพัดเห็นปลาเห็นสัตว์ทั้งหลายใดเนี้ยเออ มันจะอยู่ในน้ํามันจะอยู่บนบกมันจะมีรูปมีเต่ามันจะเป็นพ่อสัตว์แม่สัตว์ต่อตามเยอะไม่มีใครจะพาอยู่ยากมันเป็นสัตว์จะคุกกรอบตัวใหญ่ๆมโอ้กรอบตัวนี้มันแฉะแล้วปล่อยมันเถอะในนี้เสว่าสัตา์มันปลาตัวใหญ่ก็นปล่อยมันเถอะหน้าสัตว์มันเป็นพ่อปลาแม่ปลาในนี้ใครอ่ะอืมไปพบลูกมันอยู่ลูกมันจะปล่อยเถอะให้มันโตอย่างนี้ยิ่งดีอ่แล้ว ไทยมันก็ยิ่งเอาอีกหมดทุกวันในตะบนเนี่ยไม่มีอาหารการกินแล้วมันปดมันอยากไม่รู้ที่ไหนกัไม่รู้อย่างนี้เกิดเป็นมนุษย์แบบนี้มันมีบุญบุญวาสนามากมายควรที่จะได้ภาว น, นาถ้าเป็นชาติ์จใครจะดูไง่ายหน่ะอาจจะมาเห็นสินักเดินเรือนเป็นโรคเรื่อนตามนั้นนอนป่วย คนไปเดินไปไหนเราเเอาเอาสุดแม่งหยุไปโรงพยาบาลเ น, น, นี่ยแม่ไจะว่าหมาตัวนี้จะตายเป็นโรคเรื้อนีดีในเอ า, เอ า, เอากระบอมกมันจะฆ่ามาันด้วยด้วยนัมาเจตตาอะไรตัวอะไรเรืบายคณะนี่มาตามําทางใดแล้วนี่มาถึงเฉยเรามันหลงหลงฆ่ากัานลงแทงกันจูดบ้านจูชดช่องกันขัดีดีโบยกันเลือกกันเดืดเดดอดร้อนนะ ว่าใครจะมาถึงหนึ่งวิ่นยิ่งประศัดแถวนี้นีน่ลหลักคิดทำคนทํากันมาไม่รู้เรื่องเรไปทํากัดอย่างนี้เจอพ่อมันก็เอาพ่อมันเจอแม่มันก็เอาแม่มันเจอปู่ย่ามันก็เอาปูา่เอายามันถึงนั้นเนี่ยได้มากแต่ได้แตดีใจเท่านั้นเนี่ ย, เ, ยเมื่อวันละวันนี้มันมาถึงเรายังไงล่ะเผาวานบางังจุดอะไรต่ออะไรวุ่นวายโหอย่างกลัว บางคนโซนลงบ้านตรงเรียนวิ่งไม่ต้องเอารูปมาเมียสาวถัวคอดมาเลยอย่างนี้สัตว์จิราฉันมันทุกข์มาขนาดนี้หลายแล้วมันเป็นอย่างนี้เราไม่รู้จากว่าสัชต์มันเป็นอย่างไรเมื่อมาถึงเราใ น, นลาน น, น, า น, นี่ในคลื่นเรือทะเลโอ้ตัวเดือดร้อนเนี่ะตะบนตะวายเนี่ยในความเป็นจริงอันนี้คือมนุษย์ที่สัตว์จิรานมันทุกข์กินกว่านี้นี่ฉะนั้นเลยเนมนุษย์แน่จใจโชว์ถึงเสัตว์จิราฉันว่ามันอยู่กันอย่างไรให้เราคิดกันนาภาวนา ถ้าเราพิจารณาเห็นชีวิตของเราของเขาอย่างนี้บ้านเมืองเราก็จะไม่มีอะไรกันได้มันจะเป็นสุขมันจะสบายมันจะสงบวิรัติธรรมะมันจนอย่างนี้ที่มาขาจากธรรมะนี่ก็เพราะอะไรวัตถุนี่แนะวัตถุสิ่งของเนี่ยมันล่อลวงอหล่อรวงมันเป็นไปไม่อยา่าลืมนะไอความจเจริญนั่ะไม่ใช่ความเสื่อมมาด้วยอยา่าลืม ทุกวันนี้มันลืดโลกมันจเจริญขึ้นอะโลกโก้มันก่อดีกว่ามืดโลกจเจริญก็คือมันมืดมันจเจริญขึ้นอย่างวันต่อแล้วไหมไดเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเมืองเหรอไหมจัดส่วนมาตลาเช้าเอาไปสช้รพัฟอย่างเช่นควาสมสะดวกก่อนไม่จะสะดวกว่าจะมีไฟขมาจะมีน้ำขมาก่อนไม่จะสะดวกนะมันต้องมาสะดวกมาก่อ มันสะดวกมาแล้วต่อไปมันก็ไม่สะดวกเองแตบานเจ็บอืกินให้หมดร่างกายก็กินอาหารด้วยตาก็เอาหูก็เอาสมูกก็เอาดิ้นก็เอากายก็เอาจิตเอามทุกอย่างเลยอ่าเยชนะทางไหนอารมณ์นี่ยมันจะใต้เรายิ um. ่งตันักศึกษามันจะใต้รัฐบาลเนี่ยจะใต้เราทุกวันเนี่ยือมันเร่ง นานๆไปจะไม่เห็นบัตรเห็นวาแลนะ้วน่ะอันนั้นก่อจิตอันนี้กติตแต่พ อ, อมันเจริญโลกมันเจริญขึ้นก็คือมืดมันมาโกโลกโกก็เดว่าความมืดโลกเจริญก็เดือด ين, ความมืดมันเจริญความมืดมันเจริญก็เดือดความสว่างมันก็หายไปใจคนก็ทับแทบใจคนก็เดือดรอนไม่มีที่อาศัยบุ่บวายสิ่งที่มันเป็น CC ตามสภาพะเหล่านี้เราไม่เห็นมันมันเป็นมาเพราะอะไร กืนอาหารการกินในทุกวันนี้เ อ, อสมัยเรากันอยู่เยเครื่อสะโพได้น้ำปลาสะโพแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่พอเอาผงชูรสขึ้นมาเพิ่มกันไปอีกแม้แตตามส้มมะกรอท่านั้นแหละผู้ที่เขาชำนาญในการกินนะ่ะจะใส่ผงชูรสหรือไม่ใส่ผงชูรสเขารู้เอยอืมถ้ามไม่มีผงชูรสจะตาเฉลียงจะหาละ่ะ มันติดอันนี้ถ้าไม่ที่จาร์นับวันมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ้ยพัดอย่างพระพุทธเจ้าเคยสอนว่าการพิจาราในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่ให้มากกว่าให้น้อยให้พอควรอาหารทังหลายทังพวงนี่ไม่ใช่ว่ามันเป็นประโยชน์อย่างเดียวมันเป็นโรคสักครึ่งหนึ่งในคนละคึ่ง มันให้ประโยชน์เราครึ่งหนึ่งมันให้โทษเราก็ครึ่งหนึ่งเหมือนกันมันจะพาอยู่ให้ครึ่งหนึ่งมันจะพาให้เราตายกว่าครึ่งหนึ่งมันจะพาให้เราเจริญกว่าคนละคึ่งมันจะพาให้เราเสื่อมันก็คนละคึ่งเนี่ยถ้าเรามองเห็นเช่นนี้แล้วก็ทําความพอดีได้ถ้าเราไม่มองเห็นคิดจะเอามันอย่างเดียวเอามันเท่านั้นเอามันอยู่ที่เอามันเท่านั้นไม่ต้องถอยไม่ต้องแบงใครตรงนั้นเนี่ย สิ่งทั้งหลายตอนนี้มันเพิ่มส่วนในจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายทุกทีทุกทีอทางลูกทางด่านทางอะไรอะไรยังไม่รู้เรื่องเชื่อมันเปลี่ยนไปนั้นก็วุ่นวายกันเองเหมือนมันวุ่นวายมันวุ่นวายเมื่อมันความสจามความเจริญมันทจะมาถึงแล้วมันจบมันไม่รู้เรื่องฝ่ายพระศาสนานี่ก็คือกันฉันนั้นอการบวชสมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาทําอะไรกัน จะปฏิบัติอะไรจะทําะไรไม่รู้เรื่องอืมไม่รู้เรื่องเขีนยกตัวอย่างเทว น, นีโลกมันดาบาทพระพิชุอยู่ปฏิวัติหรือยอมอยู่ปฏิบัติกันการอยู่ปฏิบัตินี่ปฏิบอว่าพระพิชุต้องอาบัติหนักควรแก้ไขได้เกี่ยวแก้พูดเกี่ยวหญิงไม่พูดอะไรต่างๆแล้วเนี้ย อืมก็ตั้งอยู่ปฏิวตัติจับสถานที่วัดใดไปเธอมาอยู่ปฏิวัติโกนบอกไปให้อยู่ปฏิวัติเธอบอกญาติบอกโยมจะมาจำบุญทูนแทนมาอยู่ปฏิวาติออกจากอาบาตพูดง่ายอืแต่ก็ไม่ได้ทําเหมือนช่งางพุทธการช่างพุทธการเขานม่ทำอย่างนี้ ทำมาภัยมีอะไรไหมไปขอโทษตาหลงไปขอกรมาลหลวงให้หลงอนุเคราะห์ให้งงนนใหทําการที่สงบนะครับแต่ก็อนแรกเดี๋ยวนี้ต้องปรารถนากันไปโดยหลายจังหวัดเพื่อจใจคนมามากๆก็เพื่อจะให้ดังน้นมากๆแต่ละในจะอืนใจแล้วอืมมันเป็นไปแบบนี้บางทีก็อืมเอาข้ามาให้กรรมการนุ่งจักบาร คันในสองบาทสามบาทไอคนมาใส่แต่คนหลายหมื่นหลายแสนมันไม่ไดหลายบาทหลแสนขึ้นมาความมุ่งหมายมันไปใส่อย่างนั้นมันไม่เหมือนทุกวันทุกวันนี่ไม่เหมือนแต่ก่อนไอ้ความตั้งหลายจะมันเกิดขึ้นมาเป็นถึงมาสุวันเย้อเราตั้งหลายในรู้เรื่องกันแล้วก็ทํากันไปบวชสมาจาร์ออกพรรษาก็ไปอยู่ปริวาสกันแตามาอยู่ปริวาสมันหายบาปมันหายตามเกิดมาแดีวมันสงสัย ในรูปของเปนอะไรก่ อ, อะไรเนยเขไปทํากันอยู่ตรงว่าอยูไปจนตลอดจะดูแรงตรื่นเงนไปอยู่หา้หาหกแพงก็่านี้มืนั น, นทํากันไปแค่อย่างนี้มันไม่เกิดประโยชน์ในดูเรื่องยกตัวอย่างง่ายๆการประพฤติปฏิบัติของพระเนนเนี่ยเอาพูดยังไงแต่เงินก็ทองนี่แหละเงินทองไอ้ความเป็จริงนั่นน่ะแพระพุทธเจ้าท่านห้ามไม่ให้จับ ไม่ซื้อไม่ขายไมยแ่แบกไม่เปลี่ยนไม่มีเงินมีทองตามความเป็นจริช่นี้อย่างนี้ประชาชนาา เ, นาน เ, นเนราทั้งหายโอ้โหเนถวายการเพิดพระกันแดกสามร้อยสี่ร้อยใสในย่าไมา่โอ้ดีใจดีสุด น, นั่นแหละทำบาปจ่ไม่รู้จักอะไรต่ออะไรเออทำบาป ถ้ามาถึงพระทิตถันนอ้ยยมอเควรเนี่ยโปรดใช้พร ะ, ะถือตัวจะทำง่ายนี่ยจะต้องเช็ญใจอย่างนั้ น, นที่นี่ลูกหลานเราเกิดมาก็าทุกวันเห็นมาเอัเงินในพระไม่ผิดใช่ไหมทุกเป็นบุญทุกคนเลยเด่น น, นี่นี่ฟังใจไหมในพูดไม่หยย่าฟังใจอืนอ่นๆหลายคนนี้อีกไม่พูดที่เราทำก็อยู่ตรวันนีเอาเงินใส่ย่ามในพระถวายพระเรียกว่าเป็นบุญอันเดรจะแล้ว นี่คือกําลังกําลังหยับย่อมพระศาสนาให้เสื่อมโทรมลงไปแล้วทําลายพุทธบริษัททางหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยทาลายเองไม่เจอคนอื่นมาทำลายนกมันเสียไปอย่างนี้การปฏิบัติอย่างนี้จ่ต้องิีมไม่ต้องรักษาหรอกที่นาทำให้มันไปเลยอย่างนี้เรียกว่าดำนาก็ไม่ต้องหาแต่ต้องไถเลยว่าไงนะมันยากดํามันไปเลยตามป่าหญ้านั่นแหละ ไม่ได้เกิดผลเลยมากมายไอ้ตรงไหนที่สําคัญมันไม่พอใจกระเขาเขากระตรงนั้นในสำคัญตกต่อยมันพีละอันนี้มันจะมีอะไรแต่เสนสมาธิปัญญาตั้งมั่นอยู่ในโลกอันนี้แต่พุทธบริษัทเราไม่ตั้งลงทีนี้ไม่มีราักฐานมีเสียหายฉะนั้นบ้านเมืองของเรามันถิงรม่มจมไปวิถีอันนี้เองมันจะอื่นใดถ้าหากว่าใครรู้แล้วก็อยู่ในใจของใคร ถ้าปฏิบัติให้ถูกต้องมันก็ขัดกันไปถึงนั้นมันขัดกันไปเรื่อยๆหรือเรื่อยมันขาดเช่นนี้บ้านเมืองเรามันจะกระสับกระส่ายในกลุ่มพระสิจุสมานเองก็มีใครรับรองกันแล้วพูดกันไม่เคยได้ว่ากันไม่เคยได้ก็ปล่อยไปตามเรื่องมันก็วุ่นวายไม่พักการรักษาประพฤติเลือดต่างคนต่างย่อนลงไปทุกคนทุกคนนั่นก็บุ่นวาย สมัยนี้มันถึงขาดการประพฤติปฏิบัติเมื่อขาดการประพฤติปฏิบัติแล้วมันก็เต็มทีเช่นวางลายชียงลายชียงคำเดี๋ยวนี้เขากินขาเยนกันเป็นธรรมดาแลยตอนเย็นๆนาเอาจิตโตักับปัญญาว่าโยมเอามาส่งกันหน่กินธรรมดาสบายไม่ได้เพีตกินขเยนนมันเิดยจริมวงบวนแ้วนี่แะ ถ้าพอเราไปอยู่ไปชั้นหนึ่งเดียวชั้นสองหนึ่งเดียวโอ้ยเขาเกลียดที่สุดเลยเขาอยากจะให้มี้อย่าไร่อย่าให้นี้มัมมนขวางเขาเขาเข า, เขามันกินเขเย็นไปอาจารย์ม า, ามถังโยมทำไม่จะเอาเขาเย็นในผ้าชั้นเนี่ยกินเนี้ยขนาดนี้ท่านยังไม่อยู่เลยเจ้าค่ะท่านยังไม่อยากจะอยู่ให้เลยนันแตหมดแค่นั้นจะทําไงจะหมดต่อไปหกินเขเย็นมันก็ไปอยู่และ ไปหลอกกินเขยิญที่เถือนเทนั้นน่ยมันก็นีเท่านั้นนี่เรื่องเราประพฤติปฏิบัตินั้นมันต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นการประพฤติปฏิบัตินี่พักันพร้อมเพียงกันพวกเราทั้งหลายเหมือนกันตั้งใจไว้เรามันเจริญแล้วมันจะเสื่อมเสื่อมมันก็เล็กเล็กแล้มันก็จะโตโตแล้วมันก็จะแกแก่แล้วก็จะตายมันเป็นในณทองนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนมาวันคืนร่วงไป ร่วงไฟบัตรนี้เราทําอะไรกันอยู่อันนี้ท่านสอนเน้นหนักว่าไม่ให้ได้อยู่เฉยๆให้เราพิดณาอยู่เราคิดถูกดีไหมได้มีความเคารพอีไหมได้มีความกลัวดีไหมเรามีอะไร บ, บมไมุกค้องในเมตตาในวาจาใจคนดอนดานีดีไหมอะไรไหมให้ตรวจดูเจ้าของนั่นแล้วจะยืนใจเนลยจะคนเราฟังจะ ว, ว่ามันเฉยๆใช่วันจูนเรื่องไฟดวนไว้บัตรนี้เราทําอะไรอยู่ก็เฉย พราะมาเสียงพระพุทธเจ้าเราอ่านในเองเท่นั้นก็ไม่มีธรรมก็ทำก็ได้ในท่านในใครเป็นอะไรออืมันเป็นเอย่างีไหร่ก็ทำไงข้องคุณบรรลุจัดก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นจงคุ่มครองตัวเองนักปฏิบัติที่ไหนจะอยู่ที่ไหนที่นั่นเก็จะสงบจะอยู่ที่รุ่มร่มที่นั่นก็เป็นที่รื่นรมิงจะอยู่ที่โดนดานที่นั่นก็เป็นที่ริ่นเริง เปอยูที่สุกกระปงที่นั่นจะเป็นที่สะอาดอืมไปอยู่กันที่ร้อนๆที่ไหนมันก็เย็นเป็นสุปฏิปโนไปอยู่อุชุปฏิปโนไปอยู่ยายะปฏิปโนไปอยู่สามิจิปฏิปโนไปอยู่เราถ้ามีคุณสมบัติทสี่ประการ น, นี้ซึ่งจะให้เป็นพระอริยาสาวกได้แล้วไปอยู่ที่ไหนก็สบายไปอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทิศไม่เป็นไยมันก็เยอนเย็นไปอยู่ที่ไหนก็สะอาด มาเห็นแฉะตัวไ่อยู่ที่ไหนู้จกักการรู้จกักเวลาเช่นที่เรามาวัดทั้งหลายนี้เรียกว่ามาสร้างเป็นงานความดีเรียกว่ามาทำบุญเรียกว่ามาฟังธรรมให้มันสดาดที่อยู่ที่อาศัยก็อยู่นี้ให้มันสะอาดสะอา้านแม่ตลอดถึงที่นั่งที่นอนเมื่เราจะลุกไปลุกมาก็ทําให้มันจะสะอาด ระถึงช่วงห้องน้ําทั้งหลายนั่นเนี่ยจะให้ชิ้เรณาดูว่าอันนี้ที่ไหนที่บ้านเรามีหรือเล่าใครมาทําอะไรในที่นี้น้านี่มันมาจากที่ไหนนี่ให้ชี้เรณาให้มันดีอืเราจะไปทําพระหนา้าที่ก็รู้จักการจุดการปวดการสะอาดเป็เบียบรอยทุกคนถ้าอย่างนั้นฝ่ายะเป็นอาบัติมดตพระพุทธเจ้าบอกเป็นอาบัติทั้งนั้นยอมมก็ผิดมันเป็นอาบัติทั้งยมมาเละ ให้คุ้มตัวเจ้าของให้สะอาดสะอาดแลสะสารสานที่นั่นให้สะอาดให้ดีขึ้นเร่อกวัสุปฏิปันโนออืสถานที่เราอยู่กันสานที่เราปฏิบัติกันต้องให้มันสะอาดไปในบ้านหนึ่งในวัดหนึ่งในสถานที่หนึ่งในตนลุ่มคนเราหนึ่งทคณะเนี่ยไม่ต้อรู้อะไรแล้วไปดูบ้านเขาเท่านั้นดูที่อยู่ที่อาศัยกันเป็นยัง ทำอะไรช่างมันเห้รวมกำลังลงตรงนี้เลยอันนี้เองคิดว่ามันเป็นบอ่อเกิดของปัญญาแล้วก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเอาอันนี้เป็นอารมณ์อยู่เสมอคือเอาที่ว่าอันนี้มันไม่แน่นี่เป็นอารมณ์ม ย, ยากองไรก็่ช่างมันอันนี้จะพาให้พวกเรานะค้นจากความสงสัย เพราะว่าไอ้ทำทั้งหลายเหล่านี้ยที่เรียกว่ามันไม่แน่มันไม่เที่ยงยมันจะหมุนรอบตัวมันอยู่เกิดขึ้นมาอยู่ทุกเวลาเห็นอยู่ทุกขณะวันนี้ก็ต้เห็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ต้องเห็นอย่างนี้เห็นอาการทั้งหลายเป็นอยู่อย่างนั้นเราก็ทอดอะไรเราก็ทอดอะไรอย่าไปสงสัยในการประพฤติอย่าสงสัยในการปฏิบัติของเรา ถ้ามันสงสัยในการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วมันเป็นทุกข์มันขอระยึดมั่นถือมันอันนี้เป็นเครื่องมือที่จะถอนความสงสัยเป็นเครื่องมือมือที่จะถอนความยึดมั่นถือมัน่นออกจากอารมณ์มันนั้นให้เรามองเห็นธรรมะอย่างแจ้งชัดคืออันนี้เองไม่ใอื่นใครแต่เมื่อเราแก้ตัวเราไม่ได้หนึ่งก็เรียกว่ามันคิดเกินไปหรือมันคิดไม่ถึง ของธรรม ะ, อ, ะอันนี้เป็นคู่มือของผู้ประพฤติปฏิบัติซึ่งแม้ว่าใจเรายังไม่สงบจากอารมณ์เดานั้นก็ให้เราเข้าใจว่าอารมณ์เดานั้นมันไม่แน่อยู่เสมอที่ดียว อ, อยู่เสมอทีเดียวให้เข้าใจว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นอย่างนั้น เช่นว่ารูปผู้ประพฤติปฏิบัติปิดในรูปเป็นตัวอย่างเราได้ดูเราได้พิจารณาตามความจริงเน้่ยครูบาอาจารย์สอนมารูปนี้มันไม่สวยนะมันตกรๆไม่น่าปราถนาทางร่างกายตนแต่ บ, บุคคลอื่นอนี้เป็นคำสอนของพระ แต่ยังเหลือจิตใจของเราที่มันแฝงอยู่มันยังไปชอบมันยังไปรักอันนี้อันหนึ่งอยู่อันนี้ก็ไม่ทันตริวมันมันยังยังจะรู้ว่าอันนั้นมันสวยมันงามอยู่เราก็แย่งมันไปตลอดเวลามันเข้าใจว่ามันสวยแต่เราก็บอกมันว่าอันนี้มันไม่สวยอันนั้นมันแน่นอนแล้วก็อันนี้มันไม่แน่นอน อันนี้มันเป็นแก่สารแล้วก็อันนี้มันก็ไม่แน่นอนอยู่รี่อ ย, อย่างนี้ปฏิบัติลุกไปไเรื่อยๆอย่างนี้อืมอันนี้เราจะเบาใจของเรามีทุกข์เกิดขึ้นมาเราจะเบาใจเป็นเป็นที่พักของเราอืมเมื่อดําเนินการประพฤติปฏิบัติต่อไปจิตใจเรามันจะรู้อย่างนั้นแหละมันก็จะเห็นอย่างนั้นอืมเมื่อมันเห็นเจนนั้นในความยึดมั่นถือมั่นของเราแล้วมันก็คลี่คลายออกมาจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็เห็นชัด เมื่อวันหลังจนหลังมาเราจะเห็นว่าการประพฤติปฏิบัติของเรนั้นอความรู้ของเรนั้นในความเห็นของเรานั้นมันจะมีความสามัคคีขึ้น<ม>เดินให้ถูกทางอันนี้ก็ให้การเข้าใจ<ม> อ, อือารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในถ้ามันรู้จากอารมณ์ภายในอย่างแจ่มแจ้งมันก็รู้จักอารมณ์ภายนอก เมื่อเรารู้จักตัวของเราอย่างดีมันก็รู้จักตัวของบคนลอื่นอย่างนั้นที่ท่านอบอว่าอัจฉริธรรมะปิฏาธรรม า, รรมาอัจฉราธรรมาปิฏฐาธรรมะทำภายในแจะทำภายนอกเมื่อรู้จักทำภายในก็รู้จักทำภายนอกเมื่อรู้จักทำภายนอกก็รู้จักทำภายในความฉลาดมันเกิดขึ้นอันนี้เองอจะอยู่ข้างในก็ตาม จะอยู่ข้างนอกก็ตามทำทั้งหลายมันเป็นเพมันอยู่อย่างนั้นดังนั้นองค์พระปุณณมนตินีบุตรท่านจึงตรอบท่านพระสารีบุตรว่าาโรคเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแลกระดับไปไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า น, นั้นทุกเกิดมาแล้วแตทุกดับจุดเกิดก็่ได้แต่จุดดับไปเท่านั้นมันเกิดแต่มันดับเท่านั้นอันนี้ให้เราหมายมั่นหมายในการประพฤติปฏิบัติ ธรรมะของเราให้มันดีอันนี้จะเกิดประโยชน์